ถ้าต้องเผชิญกับสถานการณ์ร้ายถึงชีวิตเช่นนั้นจริงๆดิฉันควรเจริญสติหรือควรมีคำที่ควรภาวนาในใจอย่างไรหากใครเคยฝันเสมือนจริงเห็นตัวเองอยู่ในสถานการณ์เฉียดเป็นเฉียดตาย<ม>ก็คงเข้าใจความรู้สึกของคุณกอไข่นะครับหมอดูไรายได้ดีส่วนหนึ่งก็เพราะฝันทํานองนี้แหละ